เรื่องวิธีลงนธนทกรรมสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้ลงนธนทกรรมคือการห้ามสามเณรเข้าสังคารามทุกแหง่งพวกสามเณรเข้าอารามไม่ได้จึงหลีดไปบ้างศึกเสียบ้างไปเข้ารีดเดียร์ถีบ้างภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงลงนธนทกรรมคือห้ามสังคารามทุกแหง่งรูปใดลงต้องอบัติทุกข์ พิกสูทั้งหลายเราอนุญาตให้ลงนธนกรรมคือห้ามเฉพาะที่อยู่ของตนหรือที่ที่ตนจะเข้าไป